ความหลังในสังสารบทที่สามนิทานชีวิตอาตมากําลังนั่งฟังนิทานชีวิตของโยมเท่าแก่อยู่ตอนที่โยมหลับหนะท่านพระครูบอกโยมผ่องใส เท่าแก่เสงจึงอธิบายว่าคืออย่างนี้เฮียกําลังนั่งคิดถึงชีวิตในวัยเด็กของเฮียอยู่หลวงพ่อท่านรู้ความคิดของเฮียโยมพ่องใสไม่เข้าใจแต่ยังไม่ทันเอ่ยปากถามสามีก็ห้ามเสียก่อนอย่าเพิ่งถามใจเย็นๆอาศัยต้องเชื่อเฮียอย่างหนึ่งว่าพระระดับหลวงพ่อแล้วการรู้ความคิดของคนอื่นไม่ใช่ของยาก เฮีย er เองเมื่อก่อนก็สงสัยแล้วก็แปลกใจว่าทำไมหลวงพ่อรู้ทุกอย่างว่าใครกำลังคิดอะไรอยู่แต่เดี๋ยวนี้เฮียหายสงสัยแล้วยังคิดว่าวันหนึ่งเฮียอาจทำได้อย่างท่านบ้างและถามท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับวันหนึ่งผมจะทำได้อย่างหลวงพ่อไหมครับทำอะไรหล่ะเท่าแก่ท่านพระครูแซงย้อนถาม ความรู้คิดของคนอื่นนะครับสามีโยมผ่องสตอบและโยมเท่าแก่ก็รู้เองรู้ตอนไหนครับก็หมายถึงรู้ตอนอายุเท่าไรหากท่านพระครูตอบโยนยวนว่าตอนรู้นั่นแหละโยมผ่องสจึงพูดอย่างเกรงใจทั้งพระทั้งคลืหัดว่ายังคงไม่ถึงเวลาของโยมที่จะรู้กระมังใช่ไหมเฮียเฮียคงเข้าใจนะ ที่หนูไม่เข้าใจที่เฮียกับหลวงพ่อพูดนะ่ะกับสามีโยมผ่องสายแทนตัวเองว่าหนูเพราะอายุอ่อนกว่าเกือบหนึ่งรอบท่านพระครูจึงให้กำลังใจภรรยาเท่าแก่ว่าไม่เป็นไรหรอกโยมยังไม่ถึงเวลาเหมือนที่โยมว่านั่นแหละแต่อาตมาขอรับรองว่าวันหนึ่งโยมจะเข้าใจเพราะโยมก็มีบุญเก่ามาเช่นเดียวกับเท่าแก่นั่นแหละ ไม่เช่นนั้นจะได้มาเป็นเนื้อคู่กันหรือจริงไหมละเท่าแก่จริงครับหลวงพ่อบุรุษวัยส5ส้ายอมรับเต็มร้อยตอนนี้โยมยังคิดว่าโยมโชคร้ายอยู่หรือเปล่าท่านถามอีกไม่คิดแล้วครับหลวงพ่อผมรู้แต่ว่าตอนนี้ผมเป็นคนโชคดีที่สุดอาจจะโชคดีที่สุดในโลกก็ได้หลวงพ่อพูดถูกว่าที่ผมดีใจมาก เมื่อแม่บอกว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่สุพรรณด้วยกันแต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องดีใจขนาดนั้นแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วรู้ตั้งแต่วันแรกที่ผมเห็นอาศัยเออร์โยมผ่องใสนะครับแปลว่าตกหลุมรักโยมผ่องใสตั้งแต่พบกันวันแรกก็ไม่เชิงหรอกครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยที่สุดแล้วก็รักเขาเหมือนน้องสาว บังเอิญเราได้ใช้นามสกุลเดียวกันเลยมีความรู้สึกว่าผมเป็นพี่ชายเขาเนื่องจากเราเป็นลูกคนจีนเหมือนกันผมเลยเรียกเขาว่าอาสายเขาก็เรียกผมว่าอาเฮียแต่หลังจากแต่งงานกันก็เหลือเฮียงเฉยๆเท่าแก่เสงเล่าความหลังยังมีความสุขลืมเรื่องทุกข์ในอดีตเสียสิ้นลืมตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายกยกนี่เอง หลวงพ่อเชื่อไหมครับเวลาสี่ปีที่ผมอยู่บ้านท่านทูตผมไม่เคยลืมภาพที่เตี๋ยตีแม่เลยสักวันผมกับแม่สวดมนต์ทุกคืนและอธิษฐานจิตข อ, อยาให้เตียตามเราพบแต่ท่านทูตก็ปลอบใจเราว่าไม่ต้องกลัวท่านสั่งเพื่อนบ้านไว้แล้วว่าถ้าเตียมาระรานเราสองแม่ลูกจะให้แจ้งตำรวจแต่เตียก็ไม่มาให้เราเห็นอีกเลย ผมไปรับจ้างแบกหามอยู่แถวๆนั้นก็ไม่พบเตียเป็นไปได้ไหมครับว่าพระช่วยผมกับแม่เขาถามท่านพระครูมันก็มีส่วนจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้เพราะรู้ว่าส่วนหนึ่งเป็นผลของการสวดมนต์คือพระช่วยหากอีกส่วนหนึ่งเพราะบิดาเขาไม่อยากขัดใจผู้หญิงคนใหม่ ที่ต้องการครอบครองสมบัติของสามีแต่เพียงผู้เดียวสองแม่ลูกไปเสียได้เป็นสิ่งที่หล่อนปรารถนาเอาละ่ะทีนี้อาตมาจะเล่านิทานชีวิตของโยมเท่าแก่ให้ฟังเพราะบางเรื่องเท่าแก่เองก็ยังไม่รู้อย่าหาว่าอาตมาไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นเลยนะอาตมาไม่มีเวลาที่จะไปทาอย่างนั้น อีกอย่างหนึ่งโยมกับอาตมาก็เพิ่งรู้จักกันมาแค่สามปีแถมไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันแต่ทำไมถึงรู้เรื่องของโยมอันนี้พักไว้ก่อนอย่าเพิ่งสงสยัยแล้วจะเฉลยต่อภายหลังภายหลังคือวันนี้หลังจากเล่าจบนะครับผมไม่อยากรอไปถึงปีหน้าคนมีความสุขยาวท่านพระครูจึงยา้าาตอบว่าก็ไม่แน่ เอาเป็นว่าอาตมาจะเป็นคนตัดสินใจเองแล้วท่านก็เล่านิทานชีวิตของเท่าแก่เสงว่าอาตมาจะเล่าต่อตั้งแต่โยมบอกว่าดีใจที่ได้ยินแม่บอกว่าจะพากันย้ายไปอยู่สุพรรณโยมฟังอย่างเดียวนะอย่าเพิ่งซักถามโยมผ่องสายด้วยเพราะอาตมาจะเล่าย่อในเรื่องที่โยมสองคนไม่ทราบนิทานต้องยอ่อ ถ้าเป็นนิยายต้องขยายเพราะต้องมีพระเอกนางเอกมีผู้ร้ายมีตัวอิจฉาริษยาที่อาตมารเรียกว่านางกระแตแต้แวตหรือว่านางตะแรตแต๊ะ แ, แ, แบบนั้นไม่เอาเพราะอาตมาต้องการให้โยมทั้งสองได้ธรรมะจากการฟังไม่ใช่ฟังเพื่อความสนุกสนานเหมือนอ่านหนังสือนิยายหรือดูละครทีวีเห็นคนทั้งสองตั้งใจฟัง ท่านจึงเล่าต่อโยมเท่าแก่บอกว่านับตั้งแต่วันที่สีที่ผ่านมาโยมก็ลืมความทุกข์ทุกอย่างในอดีตได้แต่โยมไม่ทราบหรอกว่าตั้งแต่เห็นโยมผ่องใสเป็นครั้งแรกโยมก็ลืมความทุกข์ที่มีเตียและเมียใหม่ของเขาเป็นต้นเหตุได้ ระยมเลิกโกรธเตี่ยและผู้หญิงคนนั้นจริงไหมเท่าแก่เสงไม่ตอบเพราะท่านตั้งเงื่อนไขไว้ว่าให้เขาและภรรยาฟังอย่างเดียวท่านพระครูเกรงจะเสียหน้าที่เผลอไปถามเขาจึงหาทางออกด้วยการพูดชมเท่าแก่เสงดีมากเท่าแก่สติดีมากอาตมาลองถามดูเท่านั้นเอง จะดูซิว่าโยมจะเผลอหรือไม่แค่ลองใจดูเท่านั้นท่านยำ้ำแต่ผมคิดว่าหลวงพ่อเผลอมากกว่าที่จะลองใจผมนะครับเท่าแก่คิดและเขาก็รู้ว่าจะอววาดวัดป่ามะม่วงต้องรู้ตกลงตกลงเผลอก็เผลอเห็นไหมโยมเริ่มจะรู้ความคิดของคนอื่นแล้วท่านยอมรับแต่โดยดี ยมผ่องสายเริ่มจะฟังไม่รู้เรื่องหากต้องฟังเผื่อว่าจะจับผิดท่านได้ถ้าท่านเล่าไม่ตรงท่านพระครูจึงพูดกับภรรยาเท่าแกเสงว่าดีคอยจับผิดณดีแล้วถ้าถูกไม่ต้องจับแล้วจึงเล่าต่อไม่สนใจว่ายโยมผ่องสายจะคิดอะไรอีกตกลงว่าพอย้ายมาอยู่สุพรรณ โยมก็สนใจเด็กหญิงผ่องใสใจดีจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนะอาตมาจึงอยากจะบอกว่าโยมผ่องใสเป็นเนื้อคู่ของโยมเท่าแก่ที่มาสนับสนุนคำจุนโยมให้ได้ไปพบของดีที่ประเทศอินเดียเรื่องนี้ทั้งโยมและโยมผ่องใสไม่รู้เพราะอย่างนี้แหละอาตมาจึงต้องเล่านิทานชีวิตของโยมให้โยมฟัง เพื่อจะบอกในสิ่งที่โยมเองก็ไม่รู้ขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับเท่าแก่เสงพูดในใจแล้วยกมือไหว้ขอบคุณท่านพระครูน้ำตาแห่งปิติกำลังเออขึ้นมาหากเขาก็กลั้นไว้แม้จะทำได้แสนยากเธอกลั้นไปเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่ากลั้นไม่อยู่หรอกเดี๋ยวจะพูดให้ร้องไห้เลย ท่านพระครูกระยิมยิ้มย่องในใจเพราะนานๆจะได้แกล้งพระโสดาบันที่อาตมาพูดข้างต้นก็เพื่อจะบอกโยมว่าถ้าโยมไม่มาพบกับโยมผ่องสายโยมก็จะไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้เท่าแก่เสงถามในใจว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นท่านพระครูก็ตอบในใจว่า เพราะโยมทำไม่ดีไว้กับเตียนะาซีทำไม่ดีมาตั้งแต่โยมอายุ8ปดขวบมาเลิกตอนส2องขวบเพราะไปพบเนื้อคู่สี่ปีเต็มๆที่โยมคิดไม่ดีกับเตียจำได้ไหมโยมเกลียดเตียที่เขามีเมียน้อยหาว่าเตียงโง่บ้างละบ้าบ้างละ แล้วก็คิดจะฆ่าเมียน้อยกับลูกในท้องซึ่งเป็นน้องแท้ๆของโยมต่อหน้าเตีย๋ยทุกอย่างที่คิดนะั้มันเป็นบาปทั้งนั้นถ้าคิดอย่างนี้กับคนอื่นก็บาปเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าคิดกับพ่อแม่เพราะการคิดเป็นกรรมแล้วคิดดีก็เป็นกรรมดีคิดชั่วก็เป็นกรรมชั่วการคิดไม่ดีกับพ่อแม่ถือว่าเป็นกรรมชั่วบาปมาก ถึงจะไม่เข้าข่ายครุกรรมอกุศลแต่ก็ใกล้เคียงพูดอีกอย่างคือบาปพอๆกับครุกกรรมอกุศลเลยทีเดียวเพราะเท่ากับโยมเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิซึ่งแปลว่ามีความเห็นชอบชอบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชอบหรือไม่ชอบคือไม่ได้มีความรู้สึกแต่หมายถึงถูกต้อง แต่โยมโชคดีที่คิดไม่ดีกับเตียสี่ปีและเมื่อมาอยู่สุพรรณก็ตัดความเกลียดชังและความแค้นเตียโกรธเตียออกไปเสียได้ประจวบกับบุญเก่ามาให้ผลโยมจึงได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะอาตมาเป็นกาลยานมิตรท่านพระครูพูดมาถึงตรงนี้ เท่าแก่เสิงก็ยังไม่ร้องไห้หากท่านก็รู้ว่าเขาต้องกลั้นน้ำตาไวอย่างยากเย็นที่สุดท่านเล่านิทานชีวิตต่อไปอีกเพราะรู้ว่าทํานบน้ำตาของบุรุษวัย45กํากำลังจะพังลงแล้วในอีกสองนาทีข้างหน้านี้ที่อาตมาพูดว่าโยมได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะมีอาตมาเป็นกาลยานมิตร หมายความว่าถ้าอาตมาไม่ได้ไปอินเดียด้วยโยมก็จะไม่รู้ว่าโยมได้ของดีเพราะเรื่องอย่างนี้ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติจนได้ดวงตาเห็นธรรมก็จะพยากรณ์ให้โยมไม่ได้อย่างพระเดินทางไปรับคณะของเราหรือแม่แต่พระวิทยากรอาตมาดูหน้าแล้วว่าไม่สามารถพยากรณ์ให้โยมได้ท่านหมายถึงพยากรณ์มรรคผล มีพระโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลเป็นต้นพยากรณ์อย่างไรครับแบบเดียวกับที่หมอดูพยากรณ์หรือไม่สามีโยมผ่องสายถามเพื่อประวิงเวลาไว้มิให้ทำนบน้ำตาพังลงมาจนกว่าเขาจะทนไม่ไหวจริงๆพยากรณ์ใช้ในภาษาธรรมหมายถึงการพูดรับรองเหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายัางไม่ตรัสรู้ พระองค์สวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ดำรงเพศเป็นดาบทชื่อสุเมศดาบทกําลังบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการตรัสรู้ได้นั้นพระโพธิสัตว์จะต้องได้รับพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานั้นเสียก่อนมิฉะนั้นจะไม่สามารถตรัสรู้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพยากรว่า นับจากนี้ไปอีก91กับสุเมตดาบทจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนมีพระนามว่าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าอนาคตจึงขอรวบรัตตัดใจความสั้นๆว่าปัจจัยสามอย่างที่เกื้อนหนุนให้โยมเท่าแก่ได้ดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาติคือมีคู่ครองดีมีบุญเกา่า หรือทำกรรมมาดีและมีกาลยานมิตรเพราะฉะนั้นโยมจะต้องกตัญญูรู้คุณต่อยมผ่องใสเข้าใจหรื อ, อยังได้ผลเกินคาดเพราะบุรุษวัย45สบหาทราบซึง้งจนน้ำตาไหลออกตาเขาก้มลงกราบที่ตักท่านพระครูอย่างรู้บุญรู้คุณกับภรรยาเขาพูดว่า อาศัยเฮีย er, ขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆอาศัยเป็นเมียที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดพูดจบดึงผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าเสื้อเชิดออกมาเช็ดน้ำตาจนแห้งแล้วถามท่านพระครูในใจว่าหลวงพ่อครับผมคิดถึงเตียอยากไปกราบเท้าขอขามาเตียผมจะไปหาเตียได้ที่ไหนครับเพราะผมจำบ้านไม่ได้ เกือบสี่สิปีแล้วที่ผมหนีเตี่ยมาท่านพระครูรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้เห็นเขาร้องไห้กล้าครวญชนิดทํานบน้ําตาพังลงมาครั้นนึกได้ว่าพระโสดาบันยังร้องไห้ได้อยู่และจะไม่โศกเศร้าวควรเหมือนปุถุชนท่านจึงเลิกล้มความเห็นที่จะแกล้งพระโสดาบันและตอบคําถามเท่าแก่สิงว่า ยังไม่ต้องไปตอนนี้ต้องสร้างความดีให้ตัวเองก่อนสร้างความดีอย่างไรครับถามในใจตามเคยต้องมาเข้ากรรมฐานเจ็วันปฏิบัติแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้เตี่ยกับลูกเมียของเขาก่อนแผ่เมตตาให้ขอเอาหสิกรรมก่อนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้เท่าแกมาอยู่วัดติดต่อกันสิบวันเลย เจ็ดวันแรกเข้ากรรมฐานสามวันหลังเรียนภาษาบาลีโยมผ่องใสจะมากับเท่าแก่ไหมละ่ะท่านถามยังหอกค่าหลวงพ่อที่บ้านงานยุง่งไว้ให้เฮียกลับไปเปลี่ยนแล้วโยมค่อยมาโยมผ่องใสผู้จากใจจริงเพราะหวังจะได้พบของดีอย่างสามีบ้างอย่างนั้นก็ได้เอาละ ที่นี่อาตมาจะเล่านิทานชีวิตต่อแต่ก่อนจะเล่าขอถามโยมผ่องายก่อนว่าที่อาตมาเล่ามานั้นถูกหรือผิดหรือเท็จริงประการใดโยมผ่องายตอบตามตรงว่าในส่วนที่โยมรู้นั้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการแต่ส่วนที่โยมไม่รู้โยมก็ยังตอบไม่ได้ว่าถูกหรือผิดจริงหรือเท็จ โยมตอบอย่างนี้ถูกไหมคะถูกต้องที่สุดแม้คนสุพรรณนี่เก่งจริงๆโยมเท่าแก่ทั้งโชคดีทั้งมีบุญเลยนะที่ได้เป็นเขยคนสุพรรณท่านย้าสามีโยมผ่องใสแล้วจึงเล่านิทานชีวิตต่อ แม่ของโยมเท่าแก่พอเห็นเด็กหญิงผ่องใสใจบุญก็รู้สึกรักเมลูกของตัวเองถ้าเท่าแก่ไม่เชื่อลองกลับไปถามแม่ดูก็ได้ว่าจริงหรือไม่จริงเท่าแก่ตอบในใจว่าจริงครับหลวงพ่อแม่รักอาศัยมากดูเหมือนจะรักมากกว่าลูกตัวเองอีกดีที่ผมเป็นลูกชายแล้วก็รักเขาถ้าเป็นผู้หญิง ผมคงอิดชาเข้าหน้าดูเอาละ่ะที่นี้อาตมาจะเล่าต่อโยมผ่องสายตอนนั้นก็รักเฮียมากทั้งที่อาเฮียไม่รอเลยแถมหลังก็งอทําไมเป็นอย่างนั้นรู้ไหมโยมผ่องสายตอบอาตมาหน่อยสิโยมออกสวยทำไมไปรักคนขี้เรท่านถามภรรยาเท่าแก่สิ่งตอนนั้นโยมก็ไม่รู้หรอกค่ะ แต่ตอนนี้รู้แล้วเพราะหลวงพ่อเพิ่งบอกว่าโยมกับเฮียเป็นเนื้อคู่กันแต่หลวงพ่อเชื่อไหมคะโยมไม่เคยคิดว่าเฮียเขาขี้เรเลยได้พบครั้งแรกตอนโยมอายุขวบเดียวจึงรักเหมือนพี่ชายแต่ถ้าได้พบตอนที่เป็นสาวแล้วโยมคงต้องพูดว่าพระอินทร์ทรงเทพประบุสุดหล่อมาให้โยมนี่โยมพูดจริงๆนะคะ โยมผ่องใสพูดอย่างนี้เพราะไม่รู้ว่าท่านพระครูอ่านความคิดของเธอได้แต่สามีของเธอรู้ก็ทำไมจะไม่จริงละ่ะโยมรู้จักนางรสชนาไหมโยมก็เหมือนนางรสนานั่นแหละนางรสนาที่ดาท้าสามลนในเรื่องสังทองใช่ไหมคะหลวงพ่อนั่นแหละที่ว่าเหมือนก็คือ ตอนติดเท้าสามมนให้ธิดาทั้งเจ็ดเลือกคู่พี่สาวหกคนไม่เลือกเจ้าเงาะซึ่งเป็นพระสังปลอมมาดูข้างนอกเป็นเงาะป่าแต่ข้างในเป็นทองนางรจนาคนเดียวมองเห็นรูปทองข้างในเลยทิ้งพวงมาลัยให้เงาะป่าเท้าสามนโกรธาจึงขับไล่รสนากับเจ้าเงาะ ไปอยู่ในป่าพนาสนส่วนพี่สาวหกคนได้ชายรูปงามเป็นคู่ครองแต่ในที่สุดก็ต้องแพ้พ่อรูปทองเจ้าเงาะป่าโยมจาได้หรือเปล่าพี่สาวนางรจนาทั้งหกคนนั้นชื่ออะไรบ้างจาได้แต่ไม่หมดค่ะดูเหมือนจะมีเกตเมืองเรืองยศแล้วก็รจนา อีกสี่คนจำไม่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็สู่อาตมาไม่ได้นะสิอาตมาจำได้หมดแล้วจะเงาะขออภัยแล้วเถ่าแก่ล่ะจำชื่อทิดาเท้าสามนได้ทุกคนไหมท่านถามเท่าแก่เสียงบุรุษวัยส5้าตอบในใจก่อนว่าหลวงพ่อครับเรื่องนี้ผมขออนุญาตตอบนอกใจนะครับ อาศัยจะได้อาศัยฟังด้วยขออนุญาตนะครับแล้วจึงตอบนอกใจว่าจำได้ครับหลวงพ่อแต่ผมไม่สนใจพี่สาวหกคนของเขาเพราะในหัวใจผมมีนางรจนาคนเดียวทั้งที่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรหากท่านก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ใครจะทำไม่อ้าวตอบอย่างนี้เดียวก็เป็นเรื่องรอ แล้วไอายมผ่องใสไปไว้เสียที่ไหนละ่ะโยมผ่องใสเข้าใจว่านางรจนาที่สามีพูดถึงนั้นหมายถึงตัวเธอจึงช่วยแก้ต่างแทนสามีว่าโยมก็อยู่ในใจเฮียเขานั่นแหละค่ะหลวงพ่ออยู่ตรงไหนละ่ะก็โยมเท่าแก่บอกว่าในหัวใจของเขามีรจนาคนเดียว บรรพชิตตั้งใจทดสอบจิตของภรรยาโสดาบันบุคคลว่ามีจิตคิดหึงหวงเหมือนสตรีทั่วไปหรือไม่ก็หลวงพ่อพูดไปเมื่อตะกี้ว่าโยมเหมือนนางรสชนาเพราะฉะนั้นนางรสชนาที่อยู่ในใจเฮียตลอดเวลาก็คือโยมนี่หละค่ะเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงยังคงย้ําต่อไปว่า จริงหรือโยมเท่าแก่ที่โยมผ่องใสพูดมานะ่ะเท่าแก่เสงพูดเสียงหนักแน่นว่าจริงครับหลวงพ่อมาถึงขั้นนี้แล้วคนเป็นบรรปะชิตก็ยังไม่ยอมแพ้แกล้งหาเรื่องคนเป็นขลือหัดด้วยการอ้างพระวินยัยที่ไม่มีในพระไตรปิฎกและในอัตถกถาว่าอ้าวแล้วกัน มาเกี่ยวกันต่อหน้าพระสมองค์เจ้าเสียแล้วแบบนี้อาตมาก็ต้องอาบัตแย่เลยสิหลวงพ่อจะต้องอาบัตข้อไหนหรือครับแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกเกล่มที่เท่าไรแม้จะไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกมาก่อนเขาก็มั่นใจว่าสิ่งที่ท่านพระครูพูดจะต้องมีในพระไตรปิฎกเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนล้วนเป็นสัจธรรม แต่สิ่งที่ท่านนำมาอ้างอิงไม่ใช่สัจธรรมจึงไม่ใช่คำสอนของพระพุทธองค์เขารู้ว่าท่านพระครูรู้ทุกอย่างแต่ท่านต้องการตรวจสอบความเป็นโสดาบันบุคคลในตัวเขาเท่านั้นท่านพระครูรู้ว่าเท่าแก่สิงห์รู้เท่าทันท่านแต่นั่นเป็นกุศโลบายในการสอนโยมผ่องใส เพื่อที่ในอนาคตการข้างหน้าเธอจะได้ของดีอย่างสามีบ้างเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงช่างมีเมตตาเสลเกินท่านเดินตามรอยบาทพระศ า, าสดาอย่างเที่ยงตรงและเที่ยงแท้ไม่แปรผันถ้าบรรพชิตไม่ต้องอาบัติขรืหัดก็ต้องต้องโยมต้องอาบัติแล้ว มันประชิดยังคงแกล้งคฤหัสถ์ผู้เข้าถึงกระแสที่จะนำไปสู่พระนิพพานแล้วทั้งที่รู้ว่าถูกแกล้งเท่าแก่เสยงก็ยังต่อล้อต่อเทียงกับท่านด้วยรู้สึกเพลิดเพลินในธรรมจึงตอบว่าครับต้องก็ต้องแต่ต้อง ในความหมายของผมแปลว่าไม่ต้องนะครับขรือหัดไม่มีอาบัตให้ต้องหลวงพ่อรู้ทุกอย่างแล้วก็รู้ดีกว่ารู้มากกว่าผมผมจึงต้องเชื่อหลวงพ่อไม่เชื่อหลวงพ่อแล้วผมจะเชื่อใครจริงไหมครับเมื่อบรรพชิตกแกล้งมาขรือหัดก็ต้องแกล้งไปจึงจะสมน้ำสมเนื้อกันเรื่องอะไรจะให้ถูกแกล้งอยู่ฝ่ายเดียว โยมผ่องสรู้สึกไม่เข้าใจทั้งบันพาชิตและเขรืหัดว่าพูดเรื่องอะไรกันอยู่พอดีนึกชื่อทิดาเท้าสามมนอีกสี่คนได้จึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อคะโยมนึกได้แล้วคะ่ะนึกอะไรล่ะโยมโยมนึกอะไรได้นึกชื่อทิดาเท้าสามมนอีกสี่คนได้นะคะโยมจะเรียงตามลำดับปลาให้ทั้งเจคนเลยนะคะ อ้อเจ็ดคนเนี่ยเรียงตามลำดับความสูงหรอกหรือน่าจะเรียงตามลำดับความสวยแต่สําหรับอาตมาเข้าใจว่าเรียงตามลำดับอายุคือตั้งแต่คนหัวปีไปจนถึงคนสุดท้องท่านพระครูกแกล้งสามีแล้วก็เปลี่ยนมาแกล้งภรรยาบ้างโยมผ่องใสไม่ยอม ต, อ, อ, ตอเลาะตอเถียง เพราะด้วยเกรงจะจําชื่อที่ดาเท้าสามมนได้ไม่ครบเพราะความจําของเธอมาเร็วไปเร็วหาความแน่นอนไม่ได้จึงพูดเร็วๆแบบท่องจําว่าที่ดาเจ็ดคนของเท้าสามลนได้แก่มลิวันจันทนาสารพียี่สุนเทศเกต เ, เมืองเรืองยศและรสนาค่ะท่านพระครูจึงสรุปว่า ที่อาตมายกเรื่องสังทองมาก็เพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนเรามีปัญญาไม่เท่ากันอย่างนางรดจนาใช้ตาปัญญาดูจึงเห็นรูปทองอยู่ข้างในส่วนรูปเงาะใส่ไว้ข้างนอกสำหรับหลอกคนขาดปัญญาซึ่งจะเรียกว่าคนโง่ก็ได้พี่สาวหกคนโง่ก็เลยได้พระสวามีโง่เพราะสเปกเดียวกัน เอาละที่นี้อาตมาก็จะเล่านิทานชีวิตต่อประเดี๋ยวจะไม่จบเพราะจวนจะถึงวัดแล้วขณะนั้นรถแล่นมาถึงทางแยกที่จะไปอำเภอป่าโมกไปเล่าต่อที่วัดก็ได้ครับเท่าแก่เสียงแนะนาถ้าถึงวัดแล้วก็ไม่ต้องพูดกันเพราะงานรออยู่เพียบเลยพวกเจ้านี้มารอกันเต็มหอประชุมแล้ว ท่านเห็นญาติโยมกำลังมีทุกข์คุกคามใจากายกำลังรอให้ท่านช่วยอยู่โดยมีแม่พินสอนให้ฝึกเดินฝึกนั่งระหว่างรอท่านพระครูมาให้กรรมฐานแม่พินเคยเป็นมะเร็งที่สมองใกล้จะกลับบ้านเก่าท่านจึงให้มารักษาด้วยกรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงและให้อธิษฐานจิตว่า ทาหายจะช่วยท่านสอนกรรมฐานอยู่ที่วัดป่ามะม่วงจนกว่าสังขารร่างกายจะไม่อำนวยเมื่อสร้างหอประชุมภาวนากรสีทิพยาเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2521แม่พินก็หายจากโรคมะเร็งแล้วก็ได้ช่วยท่านสอนกรรมฐานมาตั้งแต่บัดนั้นหลวงพ่อมีหนี้มากเหรอคะโยมผ่องใสาถามเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง เธอคิดว่าท่านไปขอยืมเงินคนอื่นมาจึงมีเจ้าหนี้มาทวงถึงวัดแต่เท่าแก่เสงียงเข้าใจว่าหนี้ที่ท่านพูดถึงนั้นไม่ใช่หนี้ธรรมดาทว่าเป็นหนี้กรรมที่ท่านทำไว้กับพวกเขาเพราะท่านคงสาเร็จมรรคผลแล้วส่วนตัวเขาเขามั่นใจว่าจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจะไม่มีชาติที่แปดอย่างแน่นอน โยมเท่าแก่จำไว้เลยนะอาตามาตจะบอกอะไรให้อย่างนึงท่านพระครูพูดขึ้นเพราะรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่หลวงพ่อจะบอกอะไรผมหรอครับอาตามาตจะบอกว่าปุตุชนไม่สามารถพยากรณ์การสำเร็จมรรคผลพระโสดาบันพระโสดาบันไม่สามารถพยากรณ์พระสกทาคามีพระสกทาคามีไม่สามารถพยากรณ์ พระอนาคามีพระอนาคามีไม่สามารถพยากรณ์พระอรหันต์แต่พระอรหันต์สามารถพยากรณ์การสําเร็จมรรคผลของพระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่โยมคิดอยู่นั้นไม่สมควรและไม่ควรคิดแต่ที่คิดว่าโยมจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ จะไม่ชาติที่แปดนั้นคิดได้เพราะตรงกับความเป็นจริงขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับเขาก้มลงกราบที่ตักของท่านอีกครั้งเอาละ่ะที่นี่อาตมาก็จะเล่านิทานชีวิตให้จบคราวนี้จบจริงๆเพราะใกล้ถึงวัดแล้วโยมผ่องใสฟังให้ดีนะแล้วบอกด้วยว่าผิดหรือถูกคราวนี้ท่านตัดจริงหรือเทศออก เพราะท่านมีคติประจำใจว่าขาดต้องเติมเกินต้องตัดเพื่อประหยัดเวลารวบรัดตัดใจความก็คือพอยมผ่องสายโตเป็นสาวก็สวยที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีมีเท่าแก่เออยเศรษฐีเออยข้าราชการเออยพากันมาทาบทามจะขอไปให้ลูกชายบ้างให้ตัวเองบ้างแต่โยมไม่สนใจใครทั้งสิ้น รักแต่พี่ชายคือเท่าแก่อยากอยู่กับพี่ชายตลอดไปโยมไม่รู้ว่าความจริงแล้วไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆแต่เท่าแก่รู้เวลามีคนมาทาบถามเท่าแก่ก็ใจคอไม่ดีแอบเข้าห้องพระไปสวดมนต์อธิษฐานจิตขออย่าให้เตียของโยมผ่องสายตกลงเตียก็จะถามความสมัครใจของลูกสาว โยมผ่องสายปฏิเสธทุกรายกระทั่งรายสุดท้ายเป็นในอำเภอสองพี่น้องรูปหล่อยังกับมิรฉัยบัญจาแถมยังเป็นลูกชายผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเขาก็อาศัยอิทธิพลของพ่อจะต้องแต่งงานกับสาวสวยคนนี้ให้ได้ที่นี้ก็ยุ่งละสิตกลงเรื่องเป็นยังไงถึงมาแต่งงานกันได้โยมผ่องสายช่วยเล่าต่อด้วยอัตมาเป็นพระ ไม่อยากยุ่งกับเรื่องทางโลกบทท่านจะเลิกเล่าก็เลิกไปเฉยเฉยโดยการมอบหมายภาระให้โยมผ่องใสเป็นผู้เล่าแทนสามิยมผ่องใสแอบต่อว่าท่านในใจทั้งที่รู้ว่าท่านรู้กุสโลบายหลงพ่อดีเหลือเกินครับพอไม่อยากเล่า ก็บอกว่าเป็นเรื่องทางโลกโยนกรองให้อาศัยเฉยเลยผมว่าหลวงพ่อเหมือนเด็กเกเรนะครับสงสัยตอนเด็กๆ เ, เกเรน่าดูท่านพระครูรีบตอบนอกใจว่าเรื่องเกเรไม่มีใครเกินอาตมาห ร, รอกโยมเท่าแกหาเรื่องปวดหัวให้โยมยายได้ทุกวันไม่เชื่อไปถามโยมยายดูได้วันไหนไม่เด็กเกเร วีหัวหมาดาแม่เจ๊กวันนั้ น, นอนไม่หลับท่านเล่าวีรกรรมในวัยเด็กด้วยความภาคภูมิใจในความเกเรแต่ไม่เสพเพร ข, ของท่านแล้วผมจะไปถามโยมยายของหลวงพ่อได้ที่ไหนลรอกครับหลวงพ่อมีที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ของท่านหรือเปล่าบุรุษวัย45่ถามอย่างนึกสนุกรู้สึกชีวิตมีค่าเวลามีประโยชน์ เมื่อได้สนทนากับท่านอาตมาคงบอกไม่ได้เพราะโยมยายเสียไปนานแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยถ้าโยมยายติดต่อมาอาตมาค่อยบอกก็แล้วกันท่านตอบไปได้เรื่อยเรื่อยเพราะคนอย่างพระครูจเจริญไม่เคยจนมุมหลวงพ่อคะแล้วยมจะได้เล่าต่อไหมคะโยมผ่องสทวงถามตกลง โยมเล่าต่อได้เลยท่านอนุญาตสตรีวัยสามสิบสีจึงเล่าต่อจากที่ท่านพระครูเล่าค้างไว้ความว่ามันยุ่งอย่างที่หลวงพ่อพูดมานั่นแหละคะ่ะแม้โยมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะเกิดมาสวยคนเราเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมคะถูกแล้วโยมเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นเศรษฐีได้แต่ สำหรับโยมนอกจากเลือกเกิดไม่ได้แล้วยังเลือกสวยไม่ได้อีกด้วยที่เกิดมาสวยเนี่ยโยมไม่ได้เลือกนะคะแปลว่าถ้าเลือกได้โยมจะเลือกไม่สวยใช่ไหมจะได้ไม่ยุ่งไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกจะเลือกไม่สวยหรอกค่ะหลวงพอ่อเพราะความสวยกับผู้หญิงเป็นของคู่กันโยมกําลังจะพูดว่าถ้าโยมเลือกได้ ก็จะเลือกสวยที่สุดในโลกแต่เพราะเลือกไม่ได้เลยแค่สวยที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีท่านพระครูว่าจะไม่ยุ่งกับเรื่องทางโลกหากก็ต้องยุ่งจึงพูดขึ้นว่าน้อยๆห น, น, น่อยโยมอย่าให้ล้ำเส้นเอาแต่พอดีพอดีพระพุทธองค์ทรงสอนให้เดินทางสายกลางไม่ให้สุดตรงไปข้างใดข้างหนึง่ง ทางสายกลางภาษาบาลีว่ามัชชิมาปฏิปทาท่านตั้งใจสอนภาษาบาลีให้เท่าแก่เสง่ด้วยเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแต่แล้วก็ฉุก ค, คิดขึ้นมาได้ว่าเอมันเกี่ยวกันไม่เนี่ยเธอะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละท่านคิดเองเออเองเสร็จโยไม่ได้ล้าเส้นนะคะ หลวงพ่อไม่ได้เป็นผู้หญิงจึงไม่รู้ว่าความสวยเนี่ยสำคัญอันดับหนึ่งเลยอาจจะจิงข้องโยมแต่ถึงอาตมาจะไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่ในอดีตชาติอาตมาเคยเกิดเป็นผู้หญิงอาตมาจำอดีตชาติของตัวเองได้ว่าเคยเกิดมาแล้วเจ็ดชาติแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเราจะเวียนว่ายตายเกิดแค่เจ็ดชาติเท่านั้นนะเพราะ วตัตจักรชีวิตนั้นยาวไกลจนนับไม่ถ่วนเรียกว่าต้องเกิดต้องตายกันเป็นแสนแสนละล้านชาติเพียงแต่อาตมาจำได้แค่เจ็ดชาติจึงเกิดเป็นผู้ชายหกอีกชาติเป็นผู้หญิงโยมเอ้ยมันลำบากยากเข็นที่สุดเลยอาตมาถูกแม่ผัวแกล้งสารพัดเขาเกรีดอาตมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลวงพ่อสวยกว่าเขาเขาเลยอิจฉ้า ยมผ่องสายตอบตั้งใจตอบเล่นเล่นทว่าท่านพระครูชมว่าโอ้โหโยมนี่เก่งจริงๆตอบถูกเป้งเลยนี่ขนาดไม่ได้เกิดด้วยกันนั น, นี่จริงอย่างที่ว่านั่นแหละยายแม่ผัวเข้าอิจฉาที่อาตมาสวยกว่าเขาท่านไม่ได้พูดปดเพราะขณะนี้แม่ผัวตัวร้ายในชาตินั้นก็มารอให้ท่านได้ชดใช้กรรมกรรมที่เกลียดนาง จะต้องสอนกรรมฐานให้นางทั้งที่รู้ว่าในชาติ น, นี้นางก็สุดแสบพอๆกับชาติที่เป็นแม่ผัวของท่านนั่นแหละโยมผ่องใสจึงพูดถึงแม่ผัวของเธอบ้างแต่แม่ผัวโยมดีที่สุดไม่เคยอิจฉายโยมทั้งที่โยมสวยกว่าแสดงว่าโยมโชคดีกว่าท่านจริงไม่เฮียเท่าแกเสงจึงพูดกับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงด้วยความเกรงใจเป็นที่สุดว่า จริงอย่างที่อาศัยพูดมาเลยครับหลวงพ่อแม่ผมรักอาศัยมากไม่เคยดุเคยว่าถ้าผมไม่รักอาศัยคงอิจฉาเขาแล้วที่แม่ผมรักเขามากกว่าเอาละเอาละที่นิยมผ่องใสก็เล่านิทานชีวิตที่ค้างไว้ให้จบถ้าเป็นลิเกก็ต้องบอกว่าออกแขกมาสามราแล้วไม่แสดงสักทีเดี๋ยวถึงวัดก็จะไม่มีโอกาสเล่าแล้ว